เวลาผ่านไปอีกสองเดือนพระเจริญยังคงพำนักอยู่ที่คณะห้าวัดมหาธาตุและเรียนวิปัสสนากรรมฐานอย่างตั้งอกตั้งใจเจ้าคุณอุดมวิชยานรู้ว่าสิทธิ์รูปนี้จะเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่อไปในวันข้างหน้าทั้งจะเป็นกําลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนา จึงพยายามสนับสนุนพระหนุ่งให้มีประสบการณ์หลากหลายเป็นต้นว่าให้ติดตามไปในที่ต่างๆที่มีผู้นิมนต์ท่านไปสอนกรรมฐานหรือแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นคุกบางขวางวัดปากน้ำหรือสถานที่อื่นๆนอกจากที่กล่าวมานี้พระเจริญเป็นคนฉลาดหลักแหลมได้ยินได้ฟังอะไรมาก็จดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพราะเห็นว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อต้องการวันหนึ่งเจ้าคุณอาจารย์ได้มาหาท่านที่ห้องแจ้งให้ทราบว่าวันพระที่จะถึงนี้สมเด็จพระราชชนนีจะเสด็จมาเข้าวิปัสสนากรรมฐานและจะประทับอยู่ที่หอพระธาตุเป็นเวลากึ่งเดือนโดยมีพระประสงค์จะปฏิบัติขั้นอุกฤษ พระองค์ทรงปฏิบัติมานานแล้วหรือครับพระนุ่มถามทรงมาเข้าปฏิบัติครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้วประทับอยู่ที่หอพระธาตุเจ็ดวันเมื่อเสด็จกลับไปประทับที่วังสะปทุมฉันก็ได้รับนิมิตไปถวายการสอบอารมณ์หลายครั้งทรงปฏิบัติได้ดีมากทรงมีพระวิริยะอุสาหะเป็นเยี่ยม แม้จะทรงมีพระราชภารกิจมากมายแต่ก็ทรงปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าประสงค์บางรูปซะอีกพระเจริญมีความรู้สึกว่าตัวท่านถูกว่าจึงยอมรับแต่โดยดีกระผมตั้งใจว่าจะอธิษฐานจิตขอปฏิบัติขั้นอุกฤษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระผมขอตั้งสัตยปฏิญาณต่อหน้าเจ้าคุณอาจารย์ว่ากระผม จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงตีสองของอีกวันจะชันเพียงมื้อเดียวและพักผ่อนจำวัดวันละสองชั่วโมงเท่านั้นท่านประนมมือขณะปฏิญาณดีแล้วถ้าเธอบรรลุญาณ16หระหวางที่พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ฉันจะอนุญาตให้เธอเข้าฟังถาวายการสอบอารมณ์ เช่นเดียวกับพระกรุประกาศได้ยินดังนั้นพระหนุ่มแสนจะดีใจและตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าท่านจะต้องบรรลุญาณ16หให้จงได้วันโกนเวลาบ่ายสาโมงครึ่งขณะที่พระเจริญ กำลังเดินจงกรมอย่างตั้งอกตั้งใจและมีสติต่อเนื่องในทุกอิริยาบถอยู่นั้นปัญญาก็ผุดขึ้นใจสอนใจตนเองว่าการปฏิบัติจะต้องไม่หวังผลจงมั่นใจว่าเมื่อเราทำเหตุไว้ดีผลก็ย่อมดีตามโดยไม่ต้องหวังการกระทำที่หวังผลเป็นเหตุให้เกิดความยึดติดถือมั่น ไม่เป็นอิสระเราจะต้องปล่อยวางเสียเมื่อใจสอนใจดังนี้ปัญญาก็ทำลายสังโยน์เบื้องต่ำมีสักยะทิฏฐิวิจิกิจชาและศีลพัตตปรามาตให้ขาดสิ้นไปความเห็นว่าเป็นตัวของตนความลังเลสงสัยและความถือมั่นในศีลพรษไม่หลงเหลืออยู่ในคันทะสันดาน จิตเป็นอิสระปลอดโปร่งจากสังโยชน์ทั้งสามจึงเกิดความสุขชนิดที่ไม่เคยสุขเช่นนี้มาก่อนท่านรู้ว่าได้ข้ามพ้นจากภาวะปุถุชนเข้าสู่ภาวะอริยบุคคลแล้วโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลท่านเข้าถึงแล้วความปิติยินดีบังเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่า ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะฟังเทศลำดับญาณได้ปีติหนอปีติหนอพระหนุ่มกำหนดรู้ในใจและในความปีติอินดีนั้นจิตของท่านก็น้อมไปในธรรมคุณหกประการที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึงและนำมาเผยแผ่แสดงแก่สัตว์โลกเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว สว่าขาโตพระควตตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้เป็นความจริงแท้อีกทั้งงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สันทิติโกอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองผู้ใดปฏิบัติผู้ใดบรรลุผู้นั้นย่อมเห็นประจักษ์ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นผู้ใดไม่ปฏิบัติไม่บรรลุผู้อื่นจะบอกก็เห็นไม่ได้อากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ขึ้นกับการเวลาเพราะเมื่อใด บรรลุได้ทันทีบรรลุเมื่อใดเห็นผลได้ทันทีเอหิปัสิโกควรเรียกให้มาดูเชิญชวนให้มาชมและพิสูจน์หรือท้าทายต่อการตรวจสอบเพราะเป็นของจริงและดีจริงโอปนญิโกควรน้อมเข้ามาไว้ในใจหรือน้อมใจเข้าไปให้ถึงด้วยการปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในใจ หรือให้ใจบรรลุถึงอย่างนั้นเป็นสิ่งที่นำผู้ปฏิบัติให้เข้าไปถึงที่หมายคือพระนิพพานปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเป็นวิสัยของวินยูชนจะพึงรู้ได้เป็นของเฉพาะตนต้องทำจึงเสวยได้เฉพาะตนทำให้กันไม่ได้เอาจากกันไม่ได้ และรู้ได้ประจักษ์ที่ในใจตนนี้เองโอ้การได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นเช่นนี้เองหนอเราได้เห็นธรรมแล้วธรรมะปรากฏชัดแก่ใจ เ, าเราแล้วธรรมะช่างวิเศษแท้หนอเราพ้นจากอบายภูมิเพราะเข้าถึงธรรมที่พระพุทธองค์สงค้นพบพระหนุ่มรำพึงอย่างมีความสุขเป็นความสุข ที่ไม่เคยมีมาก่อนช่วงระยะเวลาที่สมเด็จพระราชชนนีประทับอยู่ที่หอพระธาตุเพื่อทรงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมเด็จพระบรมราชนีนาถเสด็จมาทรงเยี่ยมพระสัท ส, สูสองครั้งในฐานะที่ทรงเป็นพระสุนิสาพระอุดมวิชายยาน อนุญาตให้พระหนุ่มเข้าฟังถวายการสอบอารมณ์ดังที่ได้ลั่นวาจาไว้การสอบอารมณ์จะมีทุกวันตอนห้าโมงเย็นวันแรกพระเจริญรู้สึกตื่นเต้นจนต้องกำหนดตื่นเต้นหนอหลายครั้งผิดกับพระครูประกาศผู้ซึ่งรู้สึกเฉยเฉยด้วยว่าเคยติดตามเจ้าคุณอาจารย์ไปถวายการสอบอารมณ์ที่วังสะประทุมหลายครั้ง สมเด็จพระราชชนนีมีพระชนมายุห3สาพันษาทรงมีพระพารณมัยสมบูรณ์แข็งแรงพระชวีงามผุดพองพระพักดูอ่อนวัยกว่าพระชนมายุจริงสักสิบปีนอกจากนั้นยังทรงพระปรีชาสามารถเจ้าคุณอาจารย์ถามอะไรก็ทรงตอบได้อย่างฉะฉานชัดถ้อยชัดคํา ทรงมีลีลาในการตอบไม่ซ้ำแบบใครภิกษุหนุ่งจากวัดพรมบรุรีรู้สึกว่าตัวท่านมีบุญที่ได้เข้าฟังถวายการสอบอารมณ์ในครั้งนี้สมเด็จพระราชชนนีทรงปฏิบัติขั้นอุกฤษฎยุ่เจดทิวาราตรีก็ทรงบรรลุญาณส6ทรงพระปรีชาสามารถ ข้าผลสมาบัติได้ถึงห้าชั่วโมงและเมื่อทรงออกจากผลสมาบัติแล้วทรงกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์สามครั้งด้วยสงระลึกในความกรุณาของท่านพระอุดมวิชัยยานจึงจัดให้มีการเทศลำดับยานถวายผู้เทศเป็นพระพมา่าชื่ออาจารย์อาสภพะมีทูตจากสถานทูตพมา่ามาแปลเป็นภาษาไทย เริ่มเทศเวลา18นาฬิกาตรงพระเจริญจึงได้ฟังเทศลำดับญาณเป็นครั้งแรกพร้อมสมเด็จพระราชชนนีท่านฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเป็นเวลาหชั่วโมงเต็มและจดบันทึกไว้อย่างละเอียดการเทศเป็นภาษาพมา่าทำให้ท่านจดได้ทันเพราะจดเฉพาะที่ทูดแปลเป็นภาษาไทย จาก18นาฬิกาถึง24นาฬิกาท่านจดได้สองเล่มสมุดไทยความที่เป็นคนละเอียดละอจึงจดหมดทุกถ้อยคาอาจารย์จะไอหรือกระแอมกี่ครั้งระหว่างที่เทศท่านก็บันทึกไว้กระทั่งอาจารย์เทศจบและกลับกุติสมเด็จพระราชชนนีสเสด็จกลับไปยังหอพระาธาตุอันเป็นที่ประทับ และเจ้าคุณอาจารย์ลุกออกไปยังห้องของท่านแล้วพระหนุ่มจึงเดินกลับห้องของท่านรู้สึกสบายอกสบายใจไม่ง่วงเหงาหาวนอนเลยสักนิดเมื่อไม่ง่วงท่านจึงปฏิบัติต่อหมายจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปท่านเริ่มเดินจงกรมกำหนดจิตว่าจะเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นหากง่วง ก็จะจำวัดแต่หากไม่ง่วงก็จะลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อเดินจงกรมไปได้สักครึ่งชั่วโมงท่านก็รู้สึกปวดเบาเป็นกำลังจึงกำหนดเดินขวาย่างซ้ายย่างไปยังห้องสุขาเพื่อปัสสาวะครั้นถึงท่านจึงปัสสาวะหากก็ไม่สามารถถ่ายเบาได้ทั้งอาการปวดก็ทวีความรุนแรงหนักขึ้น ท่านกําหนดถ่ายเบาหนอถ่ายเบาหนอหลายครั้งก็ไม่สามารถทำให้ปัสสาวะออกมาได้ยืนกําหนดอยู่อย่างนั้นจนครบชั่วโมงจึงเดินกลับมายังห้องอย่างมีสติกําหนดนั่งภาวนาและแทนที่จะกําหนดเฉพาะพองหนอกับยุบหนอท่านก็เพิ่มปวดเบาหนอเข้าไปด้วยแม้จะทนทุกขเวทนาด้วยการปวดปัสสาวะ แต่ท่านก็สามารถรวมจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้และแล้วกฎแห่งกรรมก็ปรากฏออกมาในนิมิตเป็นเรื่องราวที่ท่านก่อขึ้นสมัยที่ยังเรียนมัธยมสองภาพเด็กหนุ่มแขนขายาวเก้งก้างกำลังเรียนเดรชานวิชาจากพระเมรวิชากแกล้งคนให้ปัสสาวะไม่ออก พอได้วิชาก็จะนําไปทดลองกับพี่สาวคือนางสาวจําแลงซึ่งเป็นไม้เบื่อไม่เมากันมาหลวงพี่แน่ใจนะครับว่าวิชานี้ใช้ได้ผลเด็กชายรุ่นหนุ่มถามพระเขมนเินวัยสาสบเศษแน่ใจสิพวกลูกศิษย์ข่ามาเรีนแล้วกว่านําไปใช้ได้ผลทุกรายโดยเฉพาะพวกที่มีศัตรูมันก็ไปทําให้ศัตรูตายไปหลายรายแล้ว คนที่ถูกทำจะเยี่ยวไม่ออกสองวันกับสองคืนแล้วจะต้องตายในวันที่สามงั้นผมขอเรียนด้วยแต่ลุงพี่ต้องเก็บไว้เป็นความลับนะจะให้ยายกับแม่ผมรู้ไม่ได้เป็นอันขาดไม่งั้นผมถูกเคี่ยนล้างลายแน่ยายผมดุอย่างกระเสือแน่ตอกล่อ ง, งข้าจะไม่บอกยายและแม่เองบอกพ่อเองคนเดียวไม่ได้นะครับลุงพี่ขืนบอกพ่อผมยิ่งแย่ใหญ่พ่อผมนะ่ะ มือหนักกว่ายายและแม่หลายเท่าผมคงตายแน่ๆหลุงพี่ต้องสัญญานะครับว่าจะไม่บอกใครและผมจะถวายค่า ย, ยกครูหกบาทเด็กหนุ่มติดสินบนพระเมรเงินหกบาทก็ต้องขโมยจากยายอีกตามเคยแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเคยขโมยมาหลายครั้งหลายหนตัวเขาเป็นคนมีสมาธิวันก่อนยังใช้สมาธิ ขโมยเงินยายมาตั้งร2 0บาทมีอย่างที่ไหนครูก็ให้ซื้อชุดลูกเสือทั้งชุดราคาหนึ่งรบาทยายว่าอะไรกันชุดละตั้งร้อยเกิดมายายก็เพิ่งจะได้พบได้เห็นหนีแหละเองมาหลอกเอาเงินยายใช่ไหมละ่ะผมเปล่าหลอกไม่เชื่อยายลงไปถามครูก็ได้ ผมจะพาไปเรื่องอะไรยายจะต้องไปถามให้เสียเวลาทรไมหากินเอาอย่างนี้เองเอาไปสิบาทก็แล้วกันแล้วยายก็ให้สิบบาทจริงๆเหตุนี้เขาจึงต้องใช้มิจฉาสมาธิขโมยเงินยายยายเอาเงินไว้ใต้หมอนธนบัตรใบละหนึ่งบาท ถูกมัดเป็นฟ่อนฟอนอยู่ใต้หมอนวันนั้นยายไม่ค่อยสบายจึงนอนกลางวันนอนหนุนหมอนใบที่ซ่อนเงินไว้ข้างใต้คงคิดว่าปลอดภัยดีแล้วเด็กหนุ่มย่องเข้ามาอย่างเงียบกริบค่อยๆเอื้อมมือเข้าไปใต้หมอนหยิบธนบัตรออกมาหนึ่งฟ้อนนับอย่างชำนิชำนานได้ร้อยี่สิบใบจึงนำที่เหลือ เข้าไปซุกไว้ใต้หมอนยายตามเดิมแล้วไปตลาดซื้อชุดลูกเสือพร้อมถุงน่องรองเท้าครบชุดในราคา100บาทเหลืออีก20บาทก็กินก๋วยเตี๋ยวและน้ำแข็งใสจนอิ่มแปร่จ่ายเงินไปสบาทที่เหลือไว้ทำทุนเล่นยนต์หลงกับเพื่อนวันพรุ่งนี้เขากลับมาบ้านแล้วยายก็ยังไม่ตื่น จึงจัดการตักน้ําใส่ตุ่มเพื่อให้คุ้มกับเงินร้อยยี่สิบบาทบ้านยายมีตุ่มน้ำยี่สิบใบบนเรือนสิบใบใต้ถุนอีกสิบใบยายจะเกณฑ์ให้เขาตักน้ําใส่ให้เต็มอยู่เสมอวันนี้ตุ่มที่อยู่บนบ้านพร่องไปเจ็ดใบเขาจึงจัดการตักมาใส่จนเต็มพอตักน้ําเต็มทุกตุ่มยายก็ตื่นพอดี ที่รู้ว่าตื่นเพราะเขาถูกเรียกให้ไปหาไอ้หนูมันในอีสิเอ็งขโมยเงินยายใช่ไหม่อนนี้มันยุบไปตังครึง่งตื่นปุ๊บยายก็ตรวจสมบัติปับ๊บผมเปล่าขโมยยายลืมมะเอาไปใช้ที่อื่นแล้วมาโทษผมคนอย่างยาย ไม่เคยลืมถึงจะแกะแต่ความจำยังดีเอ็งบอกมานะว่าลักไปเท่าไราผมเปล่าลักเปล่าขโ ม, มยไม่เชื่อขอให้ฟ้าผ่ายังคำว่าตายไว้ทันออเออเอ็งหัดสาบานเขาวันหนึ่งจะต้องถูกฟ้าผ่าแน่ ต่อให้ลงไปสอนอยู่ในตมฟ้าก็ยังผาคำพูดของยายทำให้เด็กหนุ่มเสียวไปถึงขั้วหัวใจเป็นอันว่าเขาได้วิชาทำให้คนปัสสาวะไม่ออกมาจากพระเมรโดยจ่ายค่า ย, ยกครูไปหกบาทแล้วก็จัดการลองวิชาบังเอิญวันนั้นที่ป่าช้าเขามีการเผาหี เป็นผีผู้หญิงผูกคอตายเหมือนจะเป็นใจให้เขาได้ลองวิชา18นาฬิกาตรงเขาจึงไปที่ป่าช้าสับเ ป, ปรเริกกลับบ้านไปแล้วคงปล่อยให้ศพไหมไปตามลำพังหนุ่มเจริญไปถึงก็เอาผ้ายันไปวางที่มุมกองฟอนทั้งสี่มุมแล้วว่าคถาเรียกวิญญาณผีเสร็จแล้วจึงใช้มีดโต้ที่ติดมา ฝันที่ไม้ทิมผีมาหนึ่งซอกไม้ทิมผีคือไม้ไผ่ยาวประมาณว่าสองซอกที่สับ ป, ปะเลอเขาใช้เวลาเผาผีคือเมื่อเผาผีจะลุกขึ้นนั่งบางทีก็ยิ้มแย้เคี้ยวให้อีกด้วยสับ ป, ปะเลอเขาไม่กลัวเพราะรู้ว่านั่นเป็นเพียงซากศพเขาก็จะเอาไม้ทิมผีทิมไปที่ท้องผีให้ท้องแตกไส้ทะลักออกมา บางคนก็เรียกว่าไม้กระทุงผีเพราะใช้กระทุงให้ท้องแตกหากไม่ทำเช่นนี้ผีก็จะไม่ไม่หมดตัดกระบอกมาได้แล้วเด็กหนุ่มจึงกลับบ้านซ่อนมันไว้ใต้ถุนไม่ให้ยายเห็นขั้นตอนต่อไปค่อยทำในวันรุ่งขึ้นเป้าหมายคือหนังเสาจำแรงพี่สาวของเขามันไส้มานานแล้ว ยายผมขอไปเยี่ยมพ่อกับแม่นะครับจะไปกินข้าวเย็นที่นั่นยายจะไปด้วยก็ได้เอ็งไปคนเดียวเถอะยายไม่ไปด้วยหรอกแล้วรีบกลับมาละ่ะอย่าให้มืดค่าครับแต่ถึงจะมืดจะค่ายัางไงผมก็ต้องกลับมานอนบ้านยายไม่เห็นหน้ายายผมนอนไม่หลับหลานชายเย้า ไม่เห็นหน้ายายหรือไม่เห็นเงินยายกันแน่พูดให้มันตรงไปตรงมาจิโทรยายเห็นผมเป็นคนงกไปได้ก็รือว่าเองไม่งกละยายย้อนถ้า ง, งกก็ติดมาจากยายนั่นแหละหลานชายย้อนบ้างจะไปกอรีบไปเสียที อย่ามายั่วยายอยูอย่ยเลยเถียงไม่ขึ้นใช่ไหมล่ะหลานชายไม่ไหวยัว่วแล้วจึงเดินตึงๆลงเรือนไปเด้อไหนหมันเบาๆหน่อยนี่ดีนะที่เองเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็รับรองหาผัวไม่ได้ใครเขาจะเอา นั่งขยุมทรณีไปทำลูกทำเม่ะผมเกิดเป็นผู้ชายก็ดีแล้วไงล่ะหนุ่มน้อยตะโกนขึ้นมา